คืนก็ล่วงไปล่วงไปมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้มันแจกฟรีๆไปงั้นเลยใช้มันเจ็บมันตายไปฟรีๆรอวันนั้นมาถึงเราเท่านั้นหรืออะไรเอ่ยที่มันจะวิเศษที่จะมันดีที่จะให้สิ่งเหล่านั้นไม่มีอานาจแก่เราเราก็ต้องนแนละมาปฏิบัติทำในี่และจะมีสติทุกเมื่อมนจุฬาจะตามไม่ทัน พระพเจ้าสอนพระโอกราาอแล้วก็ได้ยินแล้วนำมาปฏิบัติหรือไม่อันสิ่งที่พระพุทธองค์พระาศาสราเราทรงสองสนมีศักขีพยานไม่หลักมีฐานมีเหตุมีปัจจัยจิงไหนทําได้เป็นสัจธรรมสิ่งไหนทไมาได้ไม่เป็นสัจธรรมเป็นสมมติปัญญิออปล่อยมันไปนั้นเลิกได้ชีวิตของเหานี่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 ตีสาตี4ี่พากันลูกมาทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไปบินธบาทเตรียมสถานที่กที่ฉันบินธบาดบินธบาดเวลาขบลายฉันร่างบาทกับปฏิของตนอะไรที่มันเป็นตัวสติกับการใช้ชีวิตเราเนี่ยเราทำได้เราก็ทำไล้เหตุปัจจัยอาการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับการกับใจเราเอามันมาใช้ประโยชน์ อันผิดก็มาเป็นประโยชน์อันถูกก็เป็นประโยชน์ผิดกับตัวเองผิดกับจิงอื่นวัตถุนกตามเหตุตามฤดูกาลฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเหลือบยุงลมแดดและจันเลยขานอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันจะมีอะไรก็ออเป็นตัวปฏิบัติธรรมายใช่ประโยชน์ดีก็รู้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 ทำตัวเราอย่างเดียวมีประโยชน์ตนประโยชน์ทุนอื่นประโยชน์แจกโลกประโยชน์แจกพระศาสนาทั้งภพนี้และภพหน้าจะเป็นภพนี้ภพหน้าก็คือการกระทของเราผู้ที่ไม่รู้ชัดแจ้งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยมีวิธีทำบนอุทิศ จ, จากนั่นจากนี้เปิดเครื่องขายายซึ่นเงินเส้นทองข้าววัวข้าวกวยมันก็หลงไปชวนคนอื่นให้หลงก็ม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 อย่ามาชักบางสุกุนนะตายคนเวลาตายมาจักบางสุกุนนิจาวัสังฆ า, าเห็นจบหลวงห่นั่งอยู่นอนอยูอ่ไม่ต้องนะแม่แต่เผาเอยากไปแต่งหุ่นอะไรบางทีเขาแต่งหุ่นใส่เป็นหญิงเขาผ้าถุงไปให้เสื้อไปให้ใส่ทำตาเอาเงินบาทไปทำตาทำจมูก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 ชีวิตของคนเรมันกว้างใหญ่ไพศาลไม่เหมือนจัเดเอกสารจะตกเป็นทาตุบัญชีค่าปานนั่นหรือเหมือนหลวงพ่อไปอินเดียไปเห็นเขาใช่สัตว์ใช่ชา้างใช่มา้าใช่อูดใช่วัวใช่ควายใช่ลาให้ทํางานให้ขนให้ดันโล่ดันรถขนของขนอ้อยตัวมันเล็กๆตีเอา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 อันสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่เสียหา ย, หายไม่เสื่อมไม่มีความเสื่อมเลยถ้าเราเห็นแจ้งในเรื่องชีวิตรจริงๆนะ่ยไม่เสื่อมเป็นนามธรรเรื่องมรรคผลที่ผ่านไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายกับใครเนี่ยเป็นสมบัติของเราแท้ๆใส่ใจสักหน่อยผลขวายสักหน่อยแี่เราทำมาเรื่อก็เป็นเรื่องของเรื่องนี้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 ไม่มีใครเป็นเรื่องออความหลงถ้ามีความรู้ถ้าคงารูม้มีมันเกิดความทุกข์ไม่มีใครแปลความทุกข์เพราะเบี่ยงความทุกข์เป็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัปธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสละสมเรื่องนี้ไว้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขโขโผลปุณณเจ้าจะอยู่ผู้สละสมซึ่งความรู้เป็นความสุขในโลกผู้สะสมความหลงก็เป็นความทุกข